เสียงอ่านหนังสือเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัวเล่มสองงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นําเสียงบรรเลงเปียโนมาประกอบเสียงอ่านและขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับคุณรุ่งทิพดุงพยับที่ส่งต้นฉบับหนังสือมาให้อ่านเสียงนะครับแรงบรนดาลใจเล่มสองหนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคําถามคําตอบจากขอล่ามเตรียมเสบียงไวเลี้ยงตัว ในนิตยาสารบางกอกรายสัปดาตั้งแต่ฉบับที่ 2,432 จนถึงฉบับที่ 2,444 โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือบัญชีที่ไม่มีใบเสร็จเข้าไว้ด้วยเตรียมสเบียงไว้เลี้ยงตัวเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลักกรรมวิบากซึ่งผมอยากให้ทุกคนมองใหม่ว่าไม่ใช่ลิขิตของพระพุทธศาสนาแต่เป็นกฎกติกาเป็นข้อเท็จจริง เป็ น, นกลไกขับเคลื่อนทางธรรมชาติให้เกิดรูปชีวิตแบบต่างๆดังที่เราเห็นประจักษ์กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันพระพุทธเจ้าท่านเพียงเปิดเผยให้ทุกคนรู้ตามและรู้ทั่วรู้ครบมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามฐานะของพระองค์ที่เป็นผู้มีญาณอย่างรู้เหนือใครๆหลักกรรมวิบากเป็นเรื่องพูดกันมานาน ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะทรงสถาปนาพุทธศาสนาขึ้นตั้งมั่นในโลกนี้ก็มีเจ้าลัทธิและศาสดาต่างๆสอนเรื่องผลแห่งการกระทำเช่นกันเงื่อนไขแห่งกรรมวิบากเป็นอย่างไรก็สุดแต่จะปรุงแต่งกันไปเช่นสอนว่าทำกรรมโดยสวดมนต์บทนั้นบทนี้แล้วจะได้ไปสวรรค์ไม่ต้องลงนรกไม่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ให้ลาบากอีกอย่างนี้ก็มี และยังมีมาถึงปัจจุบันบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องตลกแต่คนจํานวนมากยังคงเห็นเป็นจริงเป็นจังนั่นก็เพราะไม่ศึกษากฎแห่งกรรมวิบากในแง่ของการคิดการพูดการกระทําแต่เปเลื่อมใสกรรมวิบากในแง่ของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หรือในแง่ของการปฏิบัติตามเคล็ดลางเสงมากชาวพุทธให้ความเชื่อถือพระพุท ธ, ธเจ้าว่ารู้หมดและรู้จริง และมีเหตุผลสนับสนุนความเชื่อที่แข็งแรงนั่นคือเมื่อทำชีวิตให้สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผลสุดท้ายแม้ไม่รู้หมดเหมือนพระองค์ท่านแต่อย่างน้อยก็ได้ความรู้จริงในขอบเขตอันพึงมีพึงได้เช่นสามารถมีจตุปปาตาญาณดังที่พระศาสดาทรงตรัสยืนยันคือภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีความอ่อนควรแก่งานดีแล้วยอ่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอสามารถเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติหรือตายกาลังอุบัติหรือเกิดไปสู่สภาพเลวสภาพประณีตมีผิวพันธุ์ดีมีผิวพันธ์นสามได้ดีตกยากด้วยทิพญจักษุอันบริสุทธิ์ ล่วงจากสุขของมนุษย์ภิกษุย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเห็นว่าสัตว์เหล่าหนึ่งประกอบด้วยกายาโโทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นความเห็นผิดยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นผิดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตเนรก ส่วนสัตว์อีกเหล่าหนึ่งประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะเจ้าเป็นความเห็นชอบยึดถือการกระทําด้วยอํานาจความเห็นชอบเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ความสามารถล่วงรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ว่าเป็นไปตามกรรมเช่นนี้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทซึ่งตั้งอยู่ ณทางสามแรดงกลางเมืองย่อมสามารถเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแรดงกลางเมืองบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้ออกจากเรือนสรุปว่าถ้าปฏิบัติจิตตามที่พระพุทธองค์สอนดีด ก็จะได้ผลเป็นธรรมดาประการหนึ่งคือสามารถรู้เห็นวิธีเกิดตายของสัตว์ทั้งหลายได้และเป็นการเห็นอย่างชัดเจนเท่าคนตาดีเห็นรูปภายนอกดังพระพุทธองค์ทรงเปรียบไว้ว่าเหมือนบุคคลยืนในที่สูงเห็นผู้คนคลากร่ำบนทางเดินกำลังเข้าออกตามเคหสถานนั่นเองคนที่มีจิตเห็นผลกรรมเหมือนคนตาดีเห็นรูปนั้น จะแตกต่างจากคนทั่วไปหลายประการทั้งวิธีคิดทั้งการใช้คำพูดและทั้งการประพฤติปฏิบัติตนในอาการต่างๆอย่างน้อยที่สุดจะไม่เป็นผู้ดูเบาว่านี่แค่กำชั่วเพียงเล็กน้อยทำทําไปคงไม่เป็นอะไรมากเพราะเขาย่อมทราบชัดว่าเมื่อยอมพยักหน้าให้ความชั่วเพียงเล็กน้อยผลใกล้เคียงที่สุดของความชั่ว ก็คือความโน้มเอียงที่จะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นอีกหรือมีเครื่องล่อใจทยอยมายั่วยวนให้ปฏิบัติทำนองเดียวกันอีกเรื่อยๆพอเพราะเผลอทำบ่อยเข้าก็ติดเป็นนิสัยแล้วกลายเป็นส่วนเสียอันดำมืดในเราไปแต่คนธรรมดานั้นเมื่อยังไม่อาจปฏิบัติจิตตามแนวทางของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัดก็เหลือวิสัยที่จะรู้เห็นเรื่องกรรมวิบาก พระพุทธองค์จึงทรงจัดเรื่องกรรมวิบากเป็นอาจินไตคือคิดนึกคาดเดาเอาไม่ได้ต้องปฏิบัติจนจิตมีจุดตูปปาตายานซยก่อนจึงแจมแจ้งไม่สงสัยและไม่ต้องคาดเดาใดๆอีกอยากรู้อะไรก็ดูเอาตรงๆเหมือนคนตาดีเลือกมองผู้อื่นที่กำลังสัญจรบนทางสามแพร่งนั่นเอง เรื่องวุ่นๆุ่นของโลกนี้ไม่มีวันจบก็เพราะความเป็นอจินไตยของกรรวิบากนี่แหละตราบใดยังไม่อาจทราบด้วยตาในของตนเองก็ยังต้องอาศัยตาในของคนอื่นมาช่วยซึ่งอย่างมากก็มากเป็นรูปของการช่วยแบบบอกเล่าไม่หายสงสัยได้เด็ดขาดว่ากรรมวิบากเป็นเรื่องจริงหรือของหลอกกันแน่และความสงสัยที่ไม่สิ้นนั้นย่อมก่อคาถามกับตนเองบ่อยสุด เป็นต้นว่านี่จริงแน่เหรอเขาหลอกเราหรือเปล่าเชื่อหรือไม่เชื่อดีเป็นต้นการรวมเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวครั้งที่สองนี้ผมยังตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมคืออยากให้ชาวพุทธได้คําตอบที่จะสนองความใค ร, ร่รู้และพัฒนาขึ้นเป็นความอยากศึกษาพระพุทธพจน์ให้แจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อที่ว่าจะได้คําตอบสุดท้าย คือควรเอาสเสบียงใดไปจากโลกนี้ได้บ้างนอกเหนือไปกว่านั้นยังปรารถนาจะให้ทุกท่านที่ยังกังขาเรื่องกรรมวิบากได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะขวรขวายพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยวิธีที่ไม่ยากจนเกินไปหลักการที่มีอยู่นั้นไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ถึงขนาดง่ายแค่ทำเล่นสามวันเจ็ดวันรู้ผล ขอเชิญชวนท่านที่เริ่มสนใจแนวทางปฏิบัติจิตตามพระพุทธองค์ได้ทดลองเข้าอ่านวิปัสนานนบาลเจ็ดเดือนบรรลุธรรมหรือมหาสติปัฏฐานสูตรได้ที่เว็บไซต์ของผมนะครับหมายเหตุคือเว็บไซต์ของคุณดังตรินผู้เขียนนะครับร com, d u n g t r i n c o m d u n g t r i n .com เมื่อให้เวลากับการพัฒนาประสิทธิภาพของจิตมากพอ ต่อไปคุณจะทราบได้ด้วยตนเองว่าคำสอนเกี่ยวกับกา ร, รวิบากของพระพุทธองค์นั้นจริงยิ่งกว่าจริงเพียงใดลงชื่อดังตรินกุมพาพันธ์พุทธศักราช2548